พระไตรปิดกเล่มที่ส1อพระสูตรที่หปราสาทิกระสูตรว่าด้วยเรื่องธรรมะที่ควรสังคยนาวิธีสอบสวนพระธรรมและข้อโต้ตอบเจ้าลัทธิอื่นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทในอัมพวันของพวกเจ้าสักยะนามว่าเวทัญญาข้านสักกะสมัยนั้นนิครณท น, นาตบุตร เจ้าลทัทธิคนหนึ่งของศาสนานิครนหรือศาสนาเชนได้ถึงแก่กรรมที่กรุงปาวาพวกสาวกคือนิครนจึงแตกกันเป็นสองฝ่ายทะเลาะวิวาทกันต่างฝ่ายกล่าวว่าตนเท่านั้นที่รู้จริงปฏิบัติถูกอีกฝ่ายไม่รู้จริงปฏิบัติผิดผู้เป็นสาวกแม้พวกที่เป็นเคฤือหัดนุ่งขาวก็มีอาการเบื่อหน่ายคลายความรักรู้สึกท้อถอยในพวกนิครน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 ธรรมะของเขาก็เหมือนศูญสิ้นไปด้วยครั้งนั้นพระจุนทะผู้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรและเป็นสัตธิวิหาริษของพระอนนท์คือพระอนนท์บวชให้หรือคือพระอนนท์เป็นพระอุปัชาจําพรรษาอยู่ในกรุงปาวาได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ซึ่งอยู่ในสามคามได้เล่าเหตุที่พวกมิครนแตกแยกกันให้ฟัง ท่านพระอนุนได้ทราบแล้วจึงเห็นกวนไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบจึงเดินทางพร้อมท่านจุนทะไปเข้าเฝ้าเรื่องธรรมวิัยที่บุคคลผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละจุนทะในธรรมวิันที่สัสดากล่าวไว้ไม่ดี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 หากมีสาวกของศาสดานั้นกล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วศา ส, สดาของท่านผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมะนั้นก็เป็นอันศาสดากล่าวไว้ไมิดีไม่เป็นเครื่องนําออกจากทุกขได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับท่านไม่ปฏิบัติธรรมในธรรมะนั้นประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมะนั้นด้วยเหตุนี้จุนทะ แม้สสดาในธรรมวินัยนั้นจะพึงถูกติเตียนธรรมะในธรรมวินัยนั้นจะพึงถูกติเตียนแต่สาวกในธรรมวินัยผู้ที่กล่าวดังนั้นควรได้รับการสันเสริญเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนที่ไม่ดีไม่เป็นเครื่องออกจากทุกข์ย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถึงศ ส, สดาหลักธรรมคำสอนและสาวก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 ใครทำความเพียนตามก็ได้ประสบบุญเป็นอันมาก 5. ศาสดาดีหลักธรรมดีสาวกไม่เข้าใจเนื้อความแห่งธรรมะแจ่มแจ้งเมื่อศาสดาตายแล้วสาวกก็เดือดร้อนภายหลัง 6. ศาสดาดีหลักธรรมดีสาวกเข้าใจเนื้อความแห่งธรรมะแจ่มแจ้ง เมื่อศาสดาตายแล้วสาว ก, ก็ไม่เดือดร้อนภายหลังเรื่องรมมจันที่ไม่บริบูรณ์เป็นต้นจุนทะรมมจันประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือหนึ่งศา ส, สดาเป็นผู้มั่นคงหมายถึงผู้ประกอบด้วยธรรมะมีศีลขันธ์เป็นต้นที่ทำให้มีความมั่นคง มีประสบการณ์มากบวชมานานล่วงการผ่านวัยมามากเมื่อนั้นรงมจันทร์นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นสศา ส, สดาที่มีคุณสมบัติดีครบถ้วนแต่ภิกษุสาวกผู้เป็นเทระของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่กล้ากล้าไม่บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะในที่นี้หมายถึงอรหัตผล ไม่อาจกล่าวพระสัตธรรมได้โดยชอบไม่อาจแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรับวาดในที่นี้หมายถึงวาทะหรือลัทธิต่างๆของเจ้าลัทธิอื่นนอกพระพุทธศาสนาไม่อาจแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรับวาดที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้พรหมจรรย์ น, นั้นย่อมไม่บริบูรณ์แต่ถ้าภิกษุสาวกมีคุณสมบัติที่ดีเป็นผู้เฉียบแหลม ได้รับการแนะนําบรรลุธรรมอันเกษมเป็นต้นพระมจันทร์นั้นจึงถือว่าบริบูรณ์ 3. ถ้าศาสดาและสาวกชั้นเทระเข้าลักษณะที่ดีแต่ภิกษุผู้เป็นสาวกชั้นกลางยังไม่ดีเหมือนชั้นเทระก็ยังชื่อว่าบวกร่องในข้อนี้โดยในนี้กิ่นความถึงภิกษุผู้เป็นสาวกที่บวชใหม่นางภิกษุณี ผู้เป็นสาวิกาชั้นเถระชั้นกลางผู้บวชใหม่อุบาสกผู้ประพฤติพรมจรรย์ผู้บริโภคกามอุบาสิกาผู้ประพฤติพรมจรรย์ผู้บริโภคกรมถ้ายังไม่ดีสมบูรณ์พรมจรรย์ก็ยังไม่สมบูรณ์ต่อเมื่อดีสมบูรณ์พรมจรรย์จึงชื่อว่าสมบูรณ์ส เมื่อสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งศาสดาและภิกษุสาวกอย่างนั้นแล้วรมจ a j a ์คือคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นที่รวมลงในตรายสิกขาจะชื่อว่าสมบูรณ์จริงต่อเมื่อรมจ a j a ์ของศาสดานั้นบริบูรณ์หมายถึงเจริญโดยชอบด้วยอำนาจความสุขในฌานอันภิกษุเหล่านี้บรรลุแล้วกว้างขวางในที่นี้หมายถึงเจริญสูงขึ้นจนถึงที่สุด แห่งความเจริญทางศาสนามีความถึงพร้อมด้วยอภิญญาเป็นต้นแพร่หลายหมายถึงกระจายออกไปดำรงอยู่ทั่วทุกทิศรู้จักกันโดยมากในที่นี้หมายถึงได้รับประโยชน์เกื้อกูลจากการบรรลุ ธ, ธรรมกันโดยทั่วไปรมอาจารย์จะชื่อว่าสมบูรณ์จริงต่อเมื่อรมอาจารย์ของศาสดานั้นบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมาก มั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพระมรรจันของศาสดานั้นบรรลุถึงความเลิศ ด, ด้วยลาบและเลิศ ด, ด้วยยศเมื่อนั้นพระมรรจันนั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้จุนทะก็บัดนี้เราเป็นศาสดาผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลก ธรรมะอันเรากล่าวไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมะที่เราผู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เราทำให้สาวกทั้งหลายเข้าใจในอัฏฐในสัตธรรมทั้งธรรมพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์ครบท้วนให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจง่ายให้มีบทที่รวบรวมไว้พร้อมแล้วให้มีผลอย่างปาฏิหาริย์แก่สาวกเหล่านั้น จนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็บัดนี้เราเป็นศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานล่วงการผ่านว้มามากบัดนี้มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำกล้าวกล้าบัรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะอาจกล่าวพระสัตว์ธรรมได้โดยชอบ อาจแสดงธรรมให้มีปาฏิหาริย์ปราบปรบว่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้รมอาจารของเราบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจุนทะเท่าที่มีศาสดาเกิดขึ้นแล้วในโลกในบนัดนี้เรายังไม่เห็นศาสดาอื่นแม้ผู้เดียว ที่บรรลุถึงความเลิศ ด, ด้วยลาบและความเลิศ ด, ด้วยยศเหมือนเราเลยอันหนึ่งเท่าที่มีสงหรือคณะเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เรายังไม่เห็นสงหรือคณะอื่นแม้หมู่เดียวที่บรรลุถึงความเลิศ ด, ด้วยลาบและความเลิศ ด, ด้วยยศเหมือนภิกษุสง์เลยบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงพระมจรัญนั้นใดว่าพระมจรัญสมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง บริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศัสดากล่าวไว้ดีบริบูรณ์ครบถ้วนศัสดาประกาศไว้ดีแล้วบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงพระมจรรย์นี้นั่นแล้ว่าพระมรรจันสมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศัสดากล่าวไว้ดีบริบูรณ์ครบถ้วนศัสดาประกาศไว้ดีแล้วจุนทะ ทราบว่าอุทธกดาบทรามบุตรกล่าวข้อความอย่างนี้ว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นถามว่าบุคคลเห็นอะไรอยู่ชื่อว่าไม่เห็นตอบว่าบุคคลเห็นใบมีดของมีดโกนที่รับดีแล้วแต่ไม่เห็นคมของมีดโกนนั้นจุนทะอุทธกดาบทรามบุตรจึงกล่าวข้อความนี้ว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็น ข้อความที่อุทกดาบตรามบุตรกล่าวนั้นเป็นธรรมะอันซามคือเป็นข้อประพฤติปฏิบัติของคนโง่เป็นของปุถุชนไม่เป็นของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะหมายเอาเฉพาะมีดโกนเท่านั้นคำว่าบุคคลเห็นอะไรอยู่ชื่อว่าไม่เห็นเป็นปัญหาที่อุทธกดาบตรามบุตรถามมหาชนเมื่อมหาชนตอบไม่ได้ท่านจึงตอบเองว่าคนเห็นมีดโกน ชื่อว่าไม่เห็นเพราะเห็นแต่ใบมีดโกนเท่านั้นแต่ไม่เห็นความคมของมีดโกนจุนทะถ้าบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องถ้ามีคำถามว่าบุคคลเห็นอะไรอยู่ชื่อว่าไม่เห็นตอบว่าพระมรรจัน์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งสัสดากล่าวไวด้ดีบริบูรณ์ครบถ้วน ศา ส, สดาประกาศไว้ดีแล้วด้วยเหตุดังนี้แหลบุคคลจึงชื่อว่าเห็นพรหมจรรย์นั้นในพรหมจรรย์นี้ถ้าบุคคลถอนสิ่งนี้ออกไปด้วยคิดว่าพรหมจรรย์นั้นจะพึงบริสุทธิ์กว่าด้วยวิธีการนี้ข้อนี้คือพรหมจรรย์นั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วครบถ้วนแล้วกลับคิดว่าจะถอนบางอย่างออกเพราะคิดว่าจะบริสุทธิ์กว่านี้ ด้วยเหตุดังนี้แหละบุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็นพระมจรจันนั้นในพระมจรจันนี้ถ้าบุคคลเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปด้วยคิดว่าพระมจรจันนั้นจะพึงบริบูรณ์ขึ้นด้วยวิธีการนี้คือเพิ่มสิ่งอื่นเข้าไปนอกเหนือจากที่พระสัสดาตรัสไว้ด้วยเหตุดังนี้แหละบุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็นพรมจรจันนั้นนี้เรียกว่า บุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นจุนทะบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนั้นว่าพรมรรจันสมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างศา ส, สดาประกาศไว้ดีแล้วไม่หย่อนไม่ยิ่งศาสดากล่าวไว้ดีบริบูรณ์ครบถ้วนศาสดาประกาศไว้ดีแล้วเรื่อง ธรรมะที่ควรสังขยาาจุนทะเพราะเหตุนั้นธรรมะทั้งหลายที่เราแสดงไว้แล้วเพื่อความรู้ยิ่งบริษัททั้งหมดนั่นแหละพึงพร้อมเพรียงกันประชุมสอบทานอัตถากับอัตถพยัญชนะกับพยัญชนะในธรรมะนั้นพยัญชนะคือตัวอักษรคำที่ใช้สื่อสารอัตถาคือความหมายที่แท้จริง พึงพร้อมเพรียงกันประชุมสอบทานอัถะกับอัฏฐพยัญชนะกับพยัญชนะในธรรมะนั้นแล้วพึงสังคยนณาไม่พึงวิวาดกันเพื่อให้ปรมาจันนี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ธรรมะทั้งหลายนั้นคือสติปทานสี่สัมมาปทานสี่อิทธิบาทสี่อินรีห้าภละห้าโพดชงเจ็ดและอริยมรรคมีองค์แปดเรื่องวิธีอธิบายให้เข้าใจถ้ามีภิกษุกล่าวธรรมะในสงฆ์หากเธอทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้รับอัฏฐานั้นมาผิดและยกพยัญชนะมาผิดเธอทั้ง ห, ห, <Hey, S 1> หลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านควรถามว่าระหว่างพยัญชนะเหล่านี้กับพยัญชนะเหล่านั้นพยัญชนะเหล่าไหนสมควรแก่อัฏฐานี้มากกว่าระหว่างอัฏฐานี้กับอัฏฐานั้นอัฏฐ์ไหนสมควรแก่พยัญชนะเหล่านี้มากกว่าเมื่อเขาตอบแล้วไม่พึงชมเชยไม่พึงต่อว่า พึงอธิบายให้เข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อใคร้ครวนอัฏฐานั้นและพยานชนะเหล่านั้นถ้ามีความเห็นว่าท่านผู้นี้แหละรัออบอัฏฐะมาผิดแต่ยกพยานชนะมาถูกพึงถามให้เขาพิจารณาอีกครั้งแล้วอธิบายให้เข้าใจถูกต้องถ้ามีความเห็นว่าท่านผู้นี้แหละรับอัฏฐะมาดีแต่ยกพยานชนะมาผิดพึงถามให้เขาพิจารณาอีกครั้ง แล้วอธิบายให้เข้าใจถูกต้องถ้ามีความเห็นว่าท่านภูนี้แลรับอัฐมาถูกและยกพยัญชนะมาถูกเธอทั้งหลายพึงชื่นชมพึงอนุโมทนาเรื่องเหตุแห่งการอนุญาตปัจจัยจุนทะเราแสดงธรรมเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน และในอนาคตเพราะฉะนั้นเราอนุ ญ, ญาตจีวรแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่น่าละอายเราอนุญาตบินทบาตแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้ เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนกำจัดความหิวคือกินเพียงเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ต่อไปได้ไม่ได้กินเพื่อความอร่อยมัวเมาในรสอาหารเพื่ออนุเคราะห์พระมจ ร, ร์ด้วยคิดว่าเราจักกำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและความอยู่ภาสุจกมีแก่เรา ด้วยประการเช่นนี้เราอนุญาตเสนาสนะแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเหลืยบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและเพื่อยินดีในการหลีกเร้นเราอนุญาตการใช้ยาคือคีฬานปัจจัยเพศสัตว์ชบริขารแก่เธอทั้งหลาย ก็เพียงเพื่อบันเทาเวทนาอันเนื่องมาจากอาพาธหรือการป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความไม่ลำบากเป็นอย่างยิ่งเรื่องสุขคันลิกานุโยคจุนทะเป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดียรทีบริภาชก ค, ความหมายคือนักบวชลทัทธิอื่นพวกเขาอาจกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณะสักยะบุตร ยึดถือสุขคันลิกานุโยกอยู่ในที่นี้หมายถึงการหมกมุ่นในการเสพสุขเธอทั้งหลายพึงถามกลับว่าสุขคันลิกานุโยกเป็นอย่างไรเพราะสุขคันลิกานุโยกมีมากมายหลายอย่างต่างๆกันจุนทะสุขคันลิกานุโยกสี่ประการนี้เป็นธรรมะตํำสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานสุขคันลิกานุโยคสี่ประการอะไรบ้างคือคนพาลบางคนในโลกนี้ 1. ข้่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ 3. พูดเพชร ครั้นฆ่าแล้วถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้วพูดเท็จแล้วบำรุงตนเองให้เป็นสุขให้มีความเอิบอิ่มในที่นี้หมายถึงให้มีร่างกายอ้วนท้วนทั้งหมดเป็นสามประการแห่งสุขคาลิการุโยกนั้นประการที่สี่คือคนผ่านบางคนในโลกนี้เอิบอิ่มร่างพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกรรมคุณห้าประการ หากผู้อัญญะเดียรทีกล่าวว่าพวกสมณะสักยบุตรยึดถือสุขขันธิานุโยคสีประการนี้อยู่เธอทั้งหลายพึงปฏิเสธและกล่าวถึงสุขขันธิานุโยคสีประการที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานที่เหล่าสมณะสักยบุตรยึดถืออยู่ดังนี้คือหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงังเดแล้วจากกา ร, รและอกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌมานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานคือฌานที่สอง 3. เพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วย น, นามกาย บรรลุตติยฌานอยู่คือฌานที่สาม 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัต ด, ดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุตตะฌานอยู่คือฌานที่สี่ว่าด้วยอนิสงค์ของสุขคันลิกานุโยคถ้าพวกอัญะเดียรถีหรือนักบวชนอกศาสนา ถึงผลของการยึดถือสุขันลิกานุโยคสีประการนี้พึงตอบถึงอานิสง์หรือผลที่มีสประการดังนี้ 1. สําเร็จเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชนสามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ําจะสําเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า 2. สําเร็จเป็นพระสกะทาคามีเพราะสังโยชนสามสิ้นไ ป, ปราคะโทสะโมหเบาบาง จะมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวสาสำเร็จเป็นพระอนาคามีเพราะสั่งยศห้าประการสิ้นไปไม่กลับมาโลกนี้อีกจะสำเร็จอรหันในเทวโลกสําสำเร็จเป็นพระอรหันในปัจจุบันเป็นผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ สำหรับระคีนาศหากพวกอัญญะเดรธีกล่าวว่าพวกสมณะสักยบุตรมีหลักการไม่แน่นอนอยู่เธอทั้งหลายควรกล่าวตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายหลักการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ด้วยพระสัพพัญญุตยานทรงเห็นด้วยจักสุห้าได้แก่ตาทิพหรือปัญญาจักสุเป็นต้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงแสดงไว้บัญญัติไว้แก่เหล่าสาวกเป็นหลักการที่เหล่าสาวกต้องไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิตมีอยู่ภิกษุใดเป็นอรหันตขีนาศอยู่จกโรมจารย์แล้วหลุดพ้นแล้ว ร, รู้โดยชอบได้ภิกษุนั้นไม่อาจประพฤติละเมิดฐานะก้าประการคือ 1. ไม่อาจจงใจตรงชีวิตสัตว์ 2. ไม่อาจถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมย 3. ไม่อาจเศษเมถุนธรรม 4. ไม่อาจพูดเท็จทั้งที่รู้ 5. ไม่อาจสะสมบริโภคการรมเหมือนเมื่อเป็นขครหัดการรมในที่นี้หมายถึงทั้งวัตถุการรมและกิเลสกาม 6. ไม่อาจลำเอียงเพราะชอบ7 ไม่อาจลำเอียงเพราะชัง 8. ไม่อาจลำเอียงเพราะหลง 9. ไม่อาจลำเอียงเพราะกลัวเรื่องปัญหาพยากรจุนทะเป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดิรถีหรือนักบวชนอกศาสนาจะกล่าวหาว่าพระสมณะโคดมบัญญัตยานัทนะคือความเห็นด้วยญาณ อันไม่มีขอบเขตปรารบะรยะการนานไกลอันเป็นอดีตไม่ปรารบะรยะการนานไกลอันเป็นอนาคตเพราะพวกเหล่านั้นไม่รู้จริงแท้จริงแล้วตถาคตมีสตานุสาริยานคือปุกเพนิวาสานุสติยานความอย่างรู้เป็นเหตุให้ระลึกชาติได้ปรารบอดีตการยาวนานได้คือตถาคต ระลึกได้ตลอดขอบเขตเท่าที่ประสงค์ลัตะถาคตมีญาณที่เกิดจากการตรัสรู้หมายถึงมัคคยานสี่คือ 1. โศตตาปติมัคสองสกัาคามิมัคสอนาคามิมัคสอรหัตมัคปรารบอนาคตการยาวนานได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก ถ้าแม้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องในปัจจุบันถึงเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรเรื่องอดีตนั้นถ้าแม้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องในปัจจุบันถ้าเป็นเรื่องจริงประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักการที่จะพยากรปัญหานั้นข้อนี้หมายถึงรู้เวลาสถานที่และบุคคลใดที่เหมาะสม สมควรตรัสให้ฟังหรือตรัสตอบคำถามปัญหานั้นๆจุนทะด้วยเหตุนี้เพราะตถาคตเป็นการละวาทีคือตรัสในเวลาเหมาะสมภูตวาทีตรัสสภาวะที่เป็นจริงอัตถวาทีตรัสปรมัต a นิพานธรรมวาทีตรัสถึงมรรคธรรมและผ ล, ละธรรมวิเนยะวาที ตรัสถึงวินัยที่มีการสัมรวมเป็นต้นในธรรมะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตตรัสรู้รูปที่ได้เห็นหมายถึงรู ป, ปายตนะอายตนะคือรูปเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ชาวโลกร้อมทั้งเทวโลก มาราโลกพรมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์บรร ล, ลุสแสวงหาตรองตามด้วยใจทั้งหมดฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาในราตรีใดบาริณิพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาตุในราตรีใดในระหว่างนี้ย่อมพาสิทธ์กล่าวแสดงคาใด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 ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นทองแท้เผยแผ่อำนาจไปนในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกร ม, มโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพรามเทวดาและมนุษย์ฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเรื่องที่ไม่ส่งพยากรถ้าอัญญะเดียรถีหรือนักบวชลัทธิอื่นถามว่า ตถาคตตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดหรือว่าทั้งเกิดทั้งไม่เกิดหรือว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่คำว่าตถาคตในที่นี้มีความหมายถึงอัตตาวิญญาณอมตะหรืออัตมันที่นักบวชละที่อื่นใช้เรียกกันมาก่อนพุทธกาลพึงตอบว่าข้อนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์เพราะเรื่องนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ คือหทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ในโลกนี้ 2. ส, สัมปรายิกัตถะประโยชน์ในโลกหน้าเพราะไม่ประกอบด้วยธรรมในที่นี้หมายถึงไม่ประกอบด้วยโล ก, กุตระธรรมเก้าไม่ใช่จุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์คือไม่ใช่เบื้องต้นแห่งศาสนาพรหมจรรย์ทั้งสิ้นที่รวบรวมไตรสิกขาไม่เป็นเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกําหนัด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 ฝากข้อสังเกตไว้นะครับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชัดเจนว่ารู้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าแต่จะทรงพยากรณ์ตอบปัญหาเมื่อเกิดประโยชน์และจะตรัสในเวลาที่สมควรกับคนที่พร้อมเท่านั้นในหลายพระสูตรชี้ให้เห็นว่าจะไม่ทรงตรัสบางเรื่องกับนักบวชละที่อื่นหรือคนที่มีความเชื่อเดิมต่างกันมากเพราะเสียเวลาพูดไปก็ไม่เข้าใจเข้าหาเรื่องแก่นธรรมทางดับทุกข์เลยดีกว่า แต่กับคนที่เหมาะสมเวลาที่สมควรก็จะทรงพยากรณ์ตรัสตอบปัญหาให้ฟังเช่นกรณีทรงพยากรณ์ชาวบ้านนาธิกระคมและชาวมคตว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนเป็นอะไรจึงปากไว้ให้พิจารณาถึงการฟังโดยเฉพาะเนื้อหาในพระสูตรนั้นเป็นการตรัสสอนต่างกรรมต่างวาระต่างคนต่างทิฏฐิตรัสสอนแต่ละคนแตกต่างกันไปจึงไม่ควรเอาแค่บางประโยคหรือบางสูตรเป็นตัวตัดสินว่าอะไรถูกผิด แต่ต้องมองภาพรวมและพิจารณาโดยแยกคายด้วยปัญญาอันยิ่งจึงจะเข้าใจได้จริงธรรมะไม่ใช่เหมือนวิชาทางโลกนะครับยิ่งมีจิตใสสะอาดปราศจากกิเลสมากเท่าใดก็จะยิ่งลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับเช่นกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงิติสองหัวข้อใหญ่ดังนี้ซึ่งดูรายละเอียดได้ที่ปรกมาชาลสูตร ในที่นี้ขอยกตัวอย่างมาพอเข้าใจคือหนึ่งทิฏฐินิสัยสารหัคตะขันส่วนอดีตหมายถึงทิฏฐิปรารถนาที่สุดในเบื้องต้นได้แก่ปุพพันตะกัดปีกะทิฏฐิ1ิเช่นอัตตาและโลกเที่ยงอัตตาและโลกไม่เที่ยงสุขและทุกขเที่ยงอัตตาและโลกมีผู้อื่นบงการแต่ละอย่างเท่านั้นที่จริงอย่างอื่นไม่จริง 2. ทิฏฐินิสัยที่สหรคตตด้วยขันส่วนอดีตหมายถึงทิฏฐิปรัถนาที่สุดในเบื้องปลายหลังจะตายแล้วอัตตามีรูปยั่งยืนไม่ยั่งยืนอัตตาที่มีสัญญายั่งยืนไม่มีสัญญาไม่ยั่งยืนอัตตาย่อมขาดศูนแต่และอย่างเท่านั้นที่จริงอย่างอื่นไม่จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ไม่ส่งอนุมัติตามคำกล่าวของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเพราะที่ยืนยันลงไปอย่างนั้นยังมีสัตว์ประเภทอื่นอีกที่เป็นอย่างอื่นจุนทะเราแสดงบัญญัติสติปัฏฐานสี่ประการไว้อย่างนี้ก็เพื่อละเพื่อก้าวล่วงทิฏฐินิสัยอันสหรัตคต์ด้วยขันส่วนอดีตเหล่านี้และทิฏฐินิสัยอันสหรคตะด้วยขันส่วนอนาคตเหล่านี้